กรรมที่ทำที่ก่อทําชั่วทําดีทําได้ไม่มีรีอรอครั้นทําเสร็จสิ้นแล้วหนอออำนาจกํารอบังคับเรา ส่งผ พอเป็นเหมือนไฟเผาตัว